พวกเรามีงานในการทำในกรรมฐานในที่ตั้งของการกระทำขณะที่เราทำงานเราก็ทำอะไรไปได้ด้วยหลายหลายอย่าง ย, ยิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยไปเจอความยากก็ทำให้ความยากไม่เป็นความยาก เป็นความง่ายไปอย่าไปเอาความยากอย่าไปเอาความง่ายความยากความง่ายมันเป็นอาการอันหนึ่งที่งานที่การที่มันมันมีเห็นเราเดินทางเราก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาแสงแดดตอกเราก็ร่อนเป็นธรรมดาฝนตกเราก็เปียกหนาวเป็นธรรมด า, าไป อะไรที่มันง่ายอะไรที่มันยากเอามาเป็นอุปสรรค <c oughs> มันไม่ใช่นักทำงานนักทำงานมันต้องลุยๆสักหน่อยขณะที่ทางานก็อาจจะเป็นการสร้างบารมีไปด้วยผมอดทนอาจจะมีอยู่ในเวลาทางาน อาจจะมีทานมีศีลในขณะที่ทำงานไปในตัวเะนนเราทำกรรมฐานเนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องทำให้เราได้ปลดเรือนได้ประสบการณ์ได้บำเพ็ญเพียรได้บำเพ็ญบารมีถึงสิบทัพสามสิบทัพก็ได้ขณะที่เรายกมือสร้างจังหวะเนี่ย มันก็ขณะที่เราทํา ง, งานเราจับเราไถนาเราจับคันไถเดินตามควายพาเราไปไถมันก็หมดุดลงดินควายมันก็พาไปทางปากเราก็ไล่ควายทางมือเราก็จับคันไถมือหนึ่งก็จับเชือกให้มันไปถูกกล้องถูกทาง บางทีก็เหลือบจุงรีดไลกัดบางทีก็เหมาไหลใครย่อยไรเจดหลักเตอรตอต้องหลบต้องรลีกอย่างไรไขจึงจะไม่หักงั้นก็เรากับรดขับเรือไม่มีอะไรที่จะต้องให้เกิดความเชืเช่อมแขนไปในตัวความคล่องแคล่วไปในตัว ถ้าไปเจอความยากก็หมดหมดท่าแล้วถ้าไปเจอความไม่เอาก็หมดท่าแล้วเอาความไม่ามาเป็นการต่อรองกับอะไรหลายๆอย่างเป็นนักปฏิบัติเนี่ยไปเจอความว่างเอาความว่วงมาต่อรองแล้วไปเจอความคิดไปเจอความสุขความทุกข์ก็ทะเลทะลยไปหมดเลย ความสุขความทุกข์ความยากความง่ายความมั่งความพุงสัตย์ก็ช่วยก็จ่ายไปเลยสติจะตังก็ไม่ค่อยมีงานของเราคือการเจริญสติอะไรก็ตามเป็นเราจาับคันไถเดินตามโบราตามคแล้วก็ไถไปอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องเราไถนาก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องอื่นเลยไม่ใช่ควา ม, มายากความง่ายอยู่ตรงนั้น หรือเราทํำเลยก็ตามการปฏิบัติธรรมมันทําพร้อมกันไปหลายหลายอย่างเลยเก่งไปหลายหลอย่างพร้อมพร้อมกันไปผ่านไปได้หลายๆอย่างพ้อมพร้อมกันไปใจก็ดีไม่ตัวคนยากไม่ต้องการความง่ายเอาทิ้งไปเลยมีแต่การกระทา อะไรที่ผ่านมาลู่สึกเลื่อยไปยกมือสร้างจังหวะสิกสีจังหวะเรื่อยไปตั้งต้นใหม่เลื่อยไปเจริญสติเรื่อยไปจับควารู้สึกมาอยู่กับบริบทชีวิที่เราตั้งไว้เรื่อยไปหลุดไปจับมาไว้ตับมาตั้งไว้มันหลุดไปเทีไรก็จับมาตั้งไว้เหมือนกับอ่าตั้งไข่ร่มเทีไรก็ตั้งไว้ ให้มันจำมี้ํานาญทําให้ทําตรงนี้มันก็ไม่ใช่นักปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติตรกนี้มันผิดก็มันมันหลงไปก็กลับมาลูนี่แรียวปฏิบัติมันผิดก็กลับมาทําลูปฏิบัติมันสุขก็มาลูมันทุกข์ก็มาลูมันหม่งก็บาลูกลับมาลูกลับมาลูมันคิดฝุ่งฟ่านไปไหนก็กลับมาลูสึกตัว ความโลดสึกตัวเป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวการงานของเราที่จะทำให้เราสำเร็จที่จะให้จะทำให้เราถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับเราเดินทางขับรถก็ดีนั่งรถก็ดีไม่ใช่เลื่อนลอยอยากลงตรงไหนก็ลงไป เล่นไปไม่ใช่ไปนะเข้าเข้าให้ถึงตัวปฏิบัติให้มันเป็นชีวิตชีวาเป็นการเป็นงานจะพบจะเห็นอะไรมันก็เป็นธรรมดาของนักเดินทางมันก็เป็นธรรมดาของนักทำงาน บางทีก็ยากบางทีก็ง่ายเป็นธรรมดาทำอะไรก็เป็นเช่นนั้นแหละ <c oughs> แต่จะกินข้าวก็ยัง <c oughs> มียิวัฒนาายหลายอย่างที่จะทำให้เราได้กินข้าวเที้ยวอาหารอิ่มท้องไม่เหมือนคนกินอาหารในสายอย่างขนานมัน ขึ้นผีขึ้นคนแล้วทำดีก็ไม่ได้ทำชั่วก็ไม่ได้หรอกถ้าตรกมันี่เราจะทำดีเราจะละความชั่วเราต้องมีความชั่วมาให้เราละเราต้องทำมีความดีมาให้เราทำเป็นความรู้สึกตัวเราก็ต้องทำเลิกไปหองหลงตัวเราก็ละเลิยไปความสุขเราก็เห็นมันเลอยไปไม่ไปคล่อมไปแบกความทุกข์ เราก็เห็นเลยไปไม่ไปคล้องไปแหวะเราก็รู้สึกเลยไปมันง่ายอยู่มันมีหลักอยู่มันมีสูตรขมันอยู่ตัวปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพิ่มันแล้วกายเราก็มีอยู่จริงๆยกมือพิกมือมันก็ไม่อยู่รู้อยู่อามันก็รู้อยู่จริงๆแล้วมันก็หลงจริงๆนะแลามันลงเน่ยเอาจน อ๋อลืมหลงเราก็ลืมไปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หลงจริงจริงความหลงเห็นมันจริงจิงความหลงเล้ว่ามันเคืออะไรมันก็คือความหลงมันก็ไม่พิเศษวิโสอะไรความหลงความทุกข์กับบัณฑ์กันมันก็มีทุกข์จริงๆงนะแต่หน้าบูดหน้าบุาบาบงไป ก, ก, ก็มีบางคนทําความเพียรหนักหนัยากเหมือน ลึ่งกขขึ้นเขาเพราะว่าเขายากจริงๆบางทีก็ ว, ว่าก็ ง, ง่ายจริงไม่ไปใ ช, ปช้ภาษาความยากความง่ายมันเป็นความรู้สึกตัวของเราอาให้มันเด่นความยากความง่ายอยาให้มันเด่นให้มันเด่นในความรู้สึกตัวบางทีก็ไปเด่นในความทุกข์ ไปเด่นในความหลงครอบงำความรู้ไปเรื่อยพอจะสร้างความรู้ความหลงมาครอบงำความหลงไปเด่นกว่าฉายออกมาให้ครอบงำความรู้สักตัวก็มีเราก็หาวิธีหาฉาก หามุนเหมือนเขาขึ้นคัดเล่าโฆษณาใต้โฆษณาในหมุมในถนนหนทางสีสันทั่วให้มันเด่นเข <c oughs> าก็หามมุนไพื่อจะให้มองเห็นได้ชัดจุงใจขดเตือนทางที่จะต้อง หุึ่งสายตาใหยคนสนใจเราก็เหมือนกันสร้างความสนใจสร้างสิ่งเวดล้อมให้เกิดความรู้สึกตัวหามาหาได้อยู่แร้วฤโหดทั้งสีความรู้สึกตัวไปตั้งไว้ที่ไหนที่มันสะดวกที่มันเด่นก็ตั้งตรงนั้นเลย ไหนบางทีตรงถ้ามันเด็นก็เกิดไม่เด่นอีกแล้วตั้งที่ใหม่รูดศึกตัวที่ใหม่ไปยืนเดินนั่งนอนดูศึกตัวเหมือนมีคนมาถามพระพุทธเจา้าวันหนึ่งวันหนึ่งพระองค์อยู่อย่างไรพระเจ้าเราก็พรองก็ตรัสว่าวันหนึ่งเ ร, เราอยู่กับการเดนเดินนั่งนอนไม่ได้เมรัย ยิ่งก้เรามีงานมีการในวิชากรรมฐานแล้วก็มีมิตรมีเพื่อนมีที่อยู่อาศัยมีอาหารการกินล้วก็ยิ่งดียิ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็เราก็ได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวมันก็ยิ่งชัดเข้าไป เห็นกายเอาก็เห็นเลยไปเห็นเนื้อธาตุทีมันเสนอมาก่อดก็เห็นเลยไปเห็นความคิดก็เห็นเลยไปที่มันจะแสดงออกมาทําให้มันลบผมรู้สึกตัวเราก็ลู่ลืล่นไปเห็นความงงที่มันเกิดตาครอบนำํำความรู้สึกตัวเราก็ลูล่มันเลยไป ความลองเลยสงสัยพยาบาทกามมลาคะเราก็เห็นมันเลื่อยไปมันเป็นสัญชาติตยานของมันเราก็เห็นมันเลื่อยไปไม่ใช่มันจะมีอำนาจใหญ่โต ที่จะบังคับขับใส่เราเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ใช้สิทธิที่มีความชอบธทมกับตัวเราไปเช่นความรู้สึกตัวนะเราใช้สิทธิอย่าอย่าเพิ่งไปแบ่งสร้างตัวนี้ไปก่อนแม่อะไรไม่มาขอแบ่งก็เอาไว้ก่อนสงวนสงวนไว้ก่อน ลูบสุกตัวไว้ก่อนออกหน้าออกตาไว้ก่อนให้มีจิตให้มีเนื้ใสไว้ก่อ น, นวิธีที่ทำความเพียรนนะ่ะมันก็มีเทคนิคมีเคล็ดลับมีกิริยาอาการของใครของเราหามาอย่าไปจนอย่าไปอ่ งอ น, นนอนแน่นก้อนแขวนเลยง่ายๆกอนหนักแน่นก้อนหนักแน่นมั่นคงสแสดงถึงมั่นคงสแสดงถึงพลังบางทีก็สแสดงเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์ก็ได้เหมือนกันแบบสแดงเป็นนักพัฒนาก็ได้เหมือนกันไในขณะที่เราทําความเปลียนมองแบบห <c oughs> ลาบลื่นมองแบบ พระโพธิสัตว์ถึงเขาอดทนก็อดทนถึงเขาเมตตาก็เมตตาถึงเขาอไม่เจคิดดีทดําดีพูดดีก็ไปในทางที่มันง่ายๆเลยก็ในเราทําความเพียร น, นี่เลยก็คิดแบบพระโพธิสัตว์นี่เลยทาความเพียรอย่าง เจ้าแม่กวนดิมเขาใช้ให้ตักน้านวันละร้อยหากสองร้อยหะกก็ตายอ่นั่นแหละตักน้าไม่แร้เป็นพระโพธิสัตว์ถตาตักน้ำก็เป็นชี้ฆ่าอะไรก็นไม่รู้แต่เราจะเอามาเป็นประโยชน์วมทุกขทำให้เราเป็นพระโพธิสัตว์ เตั้งน้ามนี่ยเมื่อวันประเนอะไรไปมาเราก็สแสดงถึงพระโพธิสัตว์เอเกิดความเข้มแข็งได้ควาเพ็ยตนเป็นพระโพธิสัตว์ไปในตัวเสร็จขณะที่ปราลบความเพียรบุคคลบางคนอาจจะเป็นพวกผู้พวกแบบพอมานั่งซ่านที่ว่าโอ้นง่งเลย นิ่งเลยสงบเสงี่ยมหน้าตาก็เชื่นบานแสดงทั้งสองไม่หวั่นไหวอะไรเลยอ่าไม่ลกลื่ลุกล่มอ่ะมันก็ทำให้ได้นิศ ใ, ใหม่ๆเหมือนกันนะกาปรป่าลบกลองเพียรการเจริญสตินี่เห็นข่าวอดทนก็อดทนเช่นเรานั่งนะ แต่วางทีเรามาทําใหม่ๆอาจะนั่งพับเพียบได้ไม่นานได้ร่งขัดสมาธิไม่ได้ไม่นานอาจจะเดินได้ไม่ค่อยนานเพราะทำไปทําไปอ้านั่งทังวันก็ยังได้เดินสี่ห้าชั่วโมงก็ยังได้แล้วมันก็ค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆวางทรงตัวระว่างเอวนั่งพับเพียบใหม่ๆเอวโคดรๆกงอๆก็นั่งไว้นั่งไว้มันก็ตรงได้ มันก็ตรงได้ก็ง่ายแต่บางทีตัวการกระทำาง่ายแต่ว่าตัวจิตใจบางทีมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันชอ บ, บบชอบแบบนั้นชอบแบบนี้ให้ความคิดให้อะไรก็มายุ่งแล้วก็ทำตามไม่ใช่ เราไม่หลักจี่ดอกความรู้สึกตัวเห็นก็เห็นอะไรี่มันเกิดขึ้นนี่แหละถ้ามีความรู้สึกตัวจะเห็นจะเห็นสิ่งที่มันจะมาครอบงามาลบความรู้สึกตัวทำให้หลงไปทางทิศใดทางใดเราก็จะได้เจอเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความหลงรู้อีกไป แล้วเราก็สร้างความรู้เลื่อยไปของหลงก็กลายเป็นประโยชน์พวเลยกลายไปแต่ความทุกข์ทางห้เกิดการตัดจะรู้ขึ้นมาได้เช่นพระพุทธเจ้าของเราเห็นทุกเห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคนะไม่ใช่เห็นของดีนะเห็นการเห็นงาน ที่ทําให้การงานตาให้สําเร็จเห็นทุกข์ก็เป็นงานแล้วเห็นเหตุให้ตกทุกข์ก็เป็นงานแล้วก็จะได้ทํางานอันนี้เห็นความดับทุกข์ก็เป็นงานแล้วดับทุกข์ได้ก็เป็นงานแล้วไม่ใช่เห็นเพื่อเป็นภัยไม่ใช่เห็นเพื่อมาเป็นภัยอันตรายเห็นมาเห็นเพื่อที่จะเป็นงานเป็นการอันประเสริฐ พอเราทำปั๊บมันก็อยู่ในแถบนี้แหละไม่ห น, นีไปไกลหรอกอยู่ในแถบอยู่ในโซนนี้แหละโซนของวิญญาณสัต์นี่แหละเพราะมันมีอยู่นี่มันมีอยู่ในกายยังก้มสองยาวานาซื่อนี่ที่คนยังไม่ตายนี่มันโศกมันทุกขเป็นนี่แหละมันโลกมันโกรธมันหลงเป็นนี่แหละ ของที่มันมีอยู่แต่เดิมเป็นธรรมชาติของถี่มันมีอาการแสดงออกภายน อ, อกภายในมันก็มีอย่างเขมพระพุทธเจา้าบำเพ็ญเพียรมีนางตัญหามีนางลาคะมีนางอลัลลีมาแสดงแบนนั่นเลย มอาแจ้ผ้าให้ดูมันยนุ่นนยผมน่่ยให้ดูมันตอนนั้นเะยบางทก็มีม้า น, นจะมาแยยต้นศรีมหาโพธิแทนศิลาอัตอนนั้นเลยฝนตกตลอดคึืนน้ำท่วมยา น, นากปรากฏ แถบภัง่านปกคุมไว้ป่านนั่นหรืออันนี้ปลามาหลอกค้ามให้กลัวมันก็มีประนั้นโอ้ร้ายมากล้ายก็พวกเราเพราะพระองค์อยู่ผู้เดียวต่เราบางเทนเพียจพระองค์อยู่ผู้เดียว กลางลงกลางป่าเป็นเนินเป็นเนินสูงสมัยก่อนเราจะเป็นสัตว์ป่าแยะๆอยู่แถบนั้นในสระน้ำสระมุดจรินอยู่ทางทิศใต้มันบ้านเราเนี่ยมีสระมันวัดเรามีสระแล้วก็มีสัตว์อยู่ในน้ํในสรสัตว์ตวอันตรายเข้าไหม จะน่าร่อนจะมีมูจงอางมูเห่ามูทําทานบางทีก็มีนาคนาคมากที่ก็มีช่างมีเสือมาลงกินน้ำ ที่จะมีสัตว์ป่ามาลงกินน้ำแต่ว่าพวกเราอยู่หลายชีวิตแก็เลยไม่ใหญ่โตเจอบางเล็กๆก็น้อยงูโหงูจงอางน ะ, ะคนที่จะมาหลอกเราคางคือเหมือนตระกูลจ้าก็ไม่แม้โดยที่ไหนก็มีเพื่อนมิมิตเต็มไปหมดเธือสะดวก การปฏิบัติเนะี่ยอามาเป็นความสะดวกเอามาเป็นการสร้างบา ร, รมีเลื่อยไปเห็นกายในกายของเราที่มีสติเข้าไปเห็นมีประโยชน์จะได้รู้กายจะไม่มีตัวมีตนอยู่ในกายเห็นกายเป็นเรื่องที่เราไปเกี่ยวข้องให้ถูก ถ้าจะพูดก็พูดเหมือนพระคริสเจา้ากายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรที่มันแสดงออกทางกายก็มองแบบนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวเป็นตนถ้าเป็นตัวเป็นตนดูไม่ใช่เห็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเห็นเห็นไหมเห็นกายเนี่ยเคลื่อนไหวอยูงนี่ไปนั่อยูย่ถ้าอยู่มันจะเป็นสมถะ ตัวเห็นภาวาเห็นเนี่ยคือรู้สึกตัวผลของ ม, ม, มความรู้สึกตัวคือความเห็นโหดไทยมันจบไปเลยคือภาวะที่เห็นกายโหดหลวงปู่บริเจ้าโหดแบบรลแเราก็อย่ามาสงสัยสับสนตรงนี้อ่าคนนึงก็บอกว่าให้สร้างสติให้รู้สึกตัว พอเป็นคำพูดของพระเจ้าว่าเห็นกายในกายมันเป็นพูดของให้มันให้มันถึงโน่น้่ายๆเห็นเห็นการสอนกันใหม่เอามือวางไว้บนเข่าเห็นไหมว่ามืออยู่หัวเข่าบางคนก็สับสนเห็นมันหมายเข้ามาไหเห็นก็เห็นเห็นแต่ไหนเอาเห็นอยู่อะไรเห็นตาไปเห็นก็ไม่ใช่ก็แล้ ไมใช่ตาไปดูเห็นมือมืออยู่บนเขาวามอยู่บนเขาเห็นบางคนก็ไม่กลา้าตอบไม่ได้เห็นหรอกมีแต่ลูกลูว่ามืออยู่บนเขาก็นั่นแหละคือความเห็นนั่นแหะแล้วลองเตะมือของท่านขัดอยู่ข้างหลงังเชื่อไหมเรววาก็ไปเชื่อเพะเห็นอยู่ว่าลูอยู่ว่ามืออยู่บนเขาอันนั้นแหละคือความเห็นให้เห็นแบบนี้ เห็นว่ามืออยู่บนเขา่ายกมือขึ้นก็เห็นว่ามือมัอมนยกอยู่ไม่ใช่ลู่ไม่ใช่ลู่ตัวลู่ก็เป็นตัวเห็นผมคือความเห็นพอเรามีความลู่มันเกิดความเห็นอ้าวเห็นคิดไหมมันคิดไปโน่นอ้าวเห็นในตัวมีตนไหมความคิดไม่มีแต่ว่ามันเห็นแล้วกลัมาลู่ได้ไหมกลับมาลู่ได้ไมาเห็นกายอีกได้ไหมเห็น มันเหตุกายจะเห็นความคิดมันเกิดควงเห็นไวเป็นหลักแล้วควาเห็นเป็นหลักมันจึงมีเกิดการเหตุอะไรที่เกิดขึ้นเห็นเวทนามันนปวดมันเมื่อยแต่ตอนมันเป็นอันเดียวกันไปหมดกายก็เป็นตัวเป็นตนเวทนาก็เป็นตัวเป็นตน ความคิดก็เป็นตัวเป็นตนปิเลตต์ันหาอะไรต่างๆก็เป็นตัวเป็นตนวันนี้เราเห็นน่ะวันเริ่มต้นจากภาวะที่ดูที่เห็นสิ่งไหนที่มันแสดงออกมาก็เห็นพราะเรามีหลักทําให้เกิดการเห็นคือรู้จุดตัวแล้วก็สร้างความรู้สุดตัวอาใช้ในเง็ดให้เกิดความรู้จุดตัวเลื่อยไป มันจะจะจบแต่การเห็นเห็นการมันก็จบเห็นเวทนามันก็จบเห็นความคิดมันก็จบเห็นธรรมที่เป็นกุศลเหากุศลมันก็จบถ้ามันเห็นแต่มันเป็นมันจบไม่เป็นเราไปเป็นภบเป็นชาติไปเป็นสุขเป็นทุกข์ไปมันก็ไม่ใช่เห็นสุขเห็นทุกข์มันจึงง่ายๆการปฏิบัติธรรมนะ <c oughs> ถ้าจับหลักได้มันก็ง่ายมันก็ไปเลยหลักสูตรมันพาไปมันกนเรียนวิชาการต่างๆหลักสูตรมันก็พาไปมันมีสูตรอยู่ไปเละในเบ้องต้นไปเละในทํากลางไปแลาะในที่สุดพรนอมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูลณ์สิ้นเชิง การปฏิบัติธรรมไปรอในเบื้องต้นก็เกิดการเห็นภาวะ ส, สิีลดูอยู่รักษาดูรักษากายวาจาอยู่มันเห็นอยู่มันจะผิดตรงไหนมันรู้อยู่มันเปลี่ยนอยู่มันไม่ได้มาเป็นสุขไม่ได้มาเป็นทุกข์มันเห็นอยูเย่เป็นการรักษาสิน้น ไปล้อนใ้ท่ามกลางมันก็มั่นคงมันทําดีอยู่มันละความชั่วมันทำความดีได้ละความชั่วได้ทำความดีได้มันมีกําลังมันมั่นคงความผิดที่ใดทําให้ถูกเป็นสมาธิพลิกเหมือนไถเหมือนคลาดเหมือนไถพลิกหน้าหนึ่งเป็นหน้าหนึ่งเหมือนไถไถนามันพลิกทางต้นหญ้าลงทับไว มันติ้นขึ้นมาเอาอยากมาเป็นปุ๋ยกลายเป็นปุ๋ยไปเลยความคิดกลายเป็นปัญญาเป็นปุ๋ยไปแล้วถ้าไม่มีพิษมันจะมีทุกข์ได้ไงถ้ามีไม่มีทุกข์มันจะพุ่มทุกข์ได้อย่างไรเมื่อว่าพลังแห่งสมาธิไพโะในท่ามกลางแต่ใครเห็นเนี่ยมีประโยชน์ ถ้าไปเห็นสศกเห็นเทวดาเห็นสวรรค์ที่ไหนโอ้นั่นไปใ้ผ่านได้ยากบอกนั่นไปได้ยากไปติดสศกไปได้อะไรมันไม่ใช่ฮะก็ะเล่นอยู่ในฌานสศกตั้งหลับหูหลับตาอยู่ไปหลับรู้อะไรเลยนั่งหลับตลอดตัน มันก็ไม่ต้องทำงาออกจากชานออกจากห ล, บลบกับแล้วก็มาย่องแยงย่องแ ย, ง, ยงถนองอะไรนิดหน่อยก็เข้าป่าเข้ากติปิดอ่อนแอไปเลยอย่าขี้ไก่ไม่ฝ่อวกฌานเนี่ยพวกสมาธิพวกศีลพวกสมาธิพวกปัญญาพวกลุย ย่อมถากก็ย่อมถากย่อมดัดก็ดัดไปเรื่อยๆมันมาให้เราดัดมันมาให้เราถากออกละออกโดยละออกได้เปลี่ยนความผิดเป็นความถูกถากออกดัดความงดคดโค้คงมันตรงตรงก็ควารู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆ อ, อ่านี่ไปเเื้องต้นคือซิมนี่แหละ คนจเจริญสติคนก็นละคงชั่วทำความดีแล้วเป็นศีพอโยมกัดล้วก็ไม่ได้ไปตีโยมก็เห็นดูกันไม่ผลผันพั น, พนแนนล้วคมรู้สึกตัวทำไมนิ่มโน่น